แนะนำบทอัลมาอาริดบทอัลมาอาริดเป็นบทมักกิยาะมี44องค์การบทนี้เริ่มกล่าวถึงความเกลียดกราดของชาวมักกะความหยิ่งยโสต่อท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมด้วยการไม่เชื่อฟังแสดงอาการเย้ยหยันต่อการตักเตือนและการลงโทษที่พวกเขาพึงจะได้รับกล่าวถึงความกำเริบเสบสารของพวกเขาคือการที่อันนั้ อิบเนลฮาริสหัวโจก ค, คนหนึ่งของพวกเขาพร้อยการลงโทษจงประสบแก่เขาและหมู่ชนของเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ลิ้มรถการลงโทษในโลกนี้ก่อนที่ปโรโลกจะมาถึงทั้งนี้ก็เพราะความหยิ่งยโสในการดื้อรั้นนั่นเองบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ประพฤติชั่วที่จะรับในวันที่น่ากลัวคือวันเขียมะซึ่งทองฟ้าจะแตกกระจายและบรรดาภูเขาจะปริว่อน มีสภาพคลายผลสัตว์สีต่างๆ ต, ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นคนกลัดกลุ่มรุ่ ม, ร, มร้อนเมื่อประสบกับความทุกข์ยากไม่พอใจเมื่อได้รับความดีพวกเขาจึงหวงแหนสิทธิของคนยากจนบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามมวินผู้ศรัทธาและคุณลักษณะอันเด่นชัดที่บ่งชี้ถึงการมีมรรยากอันประเสริฐ และได้บอกกล่าวถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ไว้ให้แก่พวกเขาในสวนสวรรค์อันสุขสำราญบท น, นี้ได้จบลงด้วยการสาบานต่อพระเจ้าแห่งสามกลโลกว่าการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนนั้นเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยและ ว, ว่าลอนนั้นทรงอนุภาพที่จะสร้างสิ่งที่ดีกว่าพวกเขา ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสมีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัานั้นไม่มีผู้ปกป้องใดๆให้พ้นจากการลงโทษไปได้ การลงโทษนั้นมาจากอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของทางขึ้นสูงเบื้องสูงมาลาัยกาลากและอารัวจะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้ามื่นปีของโลกนี้นมีล แต่นั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิดแท้จริงพวกเขามุ穆ริจีนมองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกลรแต่ว่าเราเห็นมันการลงโทษนั้นเป็นเรื่องไกลเยาวะมจูสันที่ทองฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลายวะูาและบรรดาภูเขาเป็น ช่ น, ลนและมิสหายจะไม่ถามถึงกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตามผู้ประพฤติชั่วก็ใครที่จะไถ่ตนให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา และด้วยพันยาของเขาและด้วยพี่น้องของเขาและด้วยญาติพี่น้องของเขาซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขาและด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพน้นจากการลงโทษไม่เลยถ้าจริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโชนาหนังศีรษะจะถูกลอกออกเพราะความร้อนของไฟนรกาูมันอัจะเรียกผู้ที่ผิลหลังละหันเหออกจากความจริงและสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้อิน แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหวเมืสสม่อความทุกข์ยากประสบแก่เขาก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ่ ม, ม, สสลมและเมื่อคุณงามความดีประสบแก่เขาเขาก็หวงแหง นอกจากบรรดาผู้กระทำละมาดอัลลดีนะฮุมมาเราลาตีฮิมดาอมุนบรรดาผู้ตรงมั่นในการทำละมาดของพวกเขาเป็นประจำวัลลดีนาฟีอมวาลิฮิมฮักกมมะอนูนและบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนพี่ถูกกำหนดไว้ลิสซาอีนวัลมะรูม สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอวันลดีในอยู่สสดีคูนเดียวมิดีนและบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทนทุววันกียมวันลดีนมมอา ب รบหมุช ون และบรดาผู้ที่มีความหวาดวันต่อการลงโทษแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาอบรบหมมม ถ้าริงการลงโทษแห่งพระผู้วิบาลของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัยและบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทาวารของพวกเขานอกจากแก่ผู้ครองของเขา หรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลนักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิแั่ น, น, ะะ น, นั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ละเมิดอัลลดีนหุพวกเขาได้ิัวามรับผิราอบ และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายอัมนะของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขาออลลีนฮุมิิิชดตูและบรรดาผู้ที่ดำรงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขาอลลซีนฮฮุมาิยู และบรรดาผู้ดำรงรักษาการละหมาดของพวกเขาอลาจ น, นามมุกรเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายโดยเป็นผู้ได้รับเกีย ร, ลลรติรมีอะไรเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา พี่วิ่งกระหืดกระหอบมาอย่างเจ้ามูฮัมหมัดพวกเขานั่งเป็นกลุ่มๆทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้าแต่และคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญการะนั้นหรือล้อิ0 มไม่เลยแท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดีข้าขอสาบานต่อพระผู้อิบาลแห่งบรรดาทิศตะวันตกและบรรดาทิศตะวันตกว่า แท้จริงเราเอัลลอฮ์เป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอนอต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถดบุุมคูลลี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 รีบเร่งคล้ายกับพวกเขาวิ่งกลูไปยังจเจวิตของพวกเขาิขาน ال สายตาของพวกเขาจะละห้อยเศร้าสลดความอัพยศจะปกคลุมพวกเขานั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว